เจตนาที่เป็นเหตุให้เว้นความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาขณะนั้นนั้นเป็นศีลใครปราบวิรัตงดเว้นบ่อยกุศลศีลของเขาก็เกิดบ่อยปรารบน้อยกุศลศีลก็เกิดน้อยเพราะว่าศีลตัวนี้ได้แก่เจตนาเจตนาที่ตั้งใจงดเว้นจากความชั่วทางกาย ความชั่วทางวาจานะเจตนาตัวนี้แหละเรียกว่าเจตนาที่เป็นศีลแล้วก็ต่อไปนะเจตนาของบุคคลผู้ประพฤติวัดปฏิบัติต่างๆเจตนาแบ่งออกเป็นสองนะเจตนาที่งดเว้นกับเจตนาที่ตั้งใจปฏิบัติเจตนาที่ตั้งใจปฏิบัตินั้นเช่นถ้าเป็นคารวาสก็อยู่กับพ่อกับแม่ก็ ตั้งใจปรนิบัติตามสมควร น, นะเจตนาขณะที่ตั้งใจปฏิบัติกุศลเจตนาเหล่านั้นแหละเป็นกุศลศีลนะนะหรือถ้าหากว่าเกิดขึ้นในขณะที่สมทานกับขณะที่งดเวน้นอันนี้เรียว่าเป็นเจตสิกศีลนะนะอะโลพะ หรืออนนาพิชาที่เป็นเหตุประพฤติวัดนั้นนั้นเป็นกุศลศีลเป็นศีลในขณนะนั้ น, น, นอันนี้เขาเรียกว่าตัวของเขาได้แก่เจตนาศีลนะนะส่วนเจตสศกเป็นศีล น, นั้นได้แก่วิรติหรือวิรัติงดเวนนะขณะที่สัมมาวาจาเกิดขึ้นสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเกิดขึ้น สมมาวาจาสัมมาคมตะสัมมาอาชีวะวีรตีสามอย่างนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่สมม า, านกับขณะที่งดเวน้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเจตสิกศีนี่นะอโลพาหรืออนาพิชาอัพยาปาทะสัมมาทิฏฐิสมอย่างนี้ก็เป็นเจตสิกศีเหมือนกันนี่นะ นะหรือมโนกรรมสมอ่ะนะตัวมโนกรรมนั้นก็เป็นเจตสิกศีลนะอันเจตนาศีลเจตสิกศีลแล้วก็สังวรก็เป็นศีลคําว่าสังวรก็เป็นศีล น, นั้นได้แก่ศีลและสังวรเนี่ยนะหรือปาติโมคขสังวร น, นะ ถ้าของเราก็ตั้งใจสัมรวมระวังรักษาศีลห้าศีล8เป็นต้นเนี่ยนะตามสมควรเจตนาที่เป็นเหตุในการสมทานรักษาศีลหศีล8เหล่านี้กุศลธรรมเหล่านี้เรียกว่าสังวรศีล ส, สังวรศีลก็เรียกว่าศีละสังวรหรือปฏิโมกสังวรตอนที่บวชเนรแล้วตั้งใจสมทานรักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ให้เก้อไม่ให้ล่วงนะ อันนี้แหละเรียกว่าเป็นศีล ส, สังวรถ้าเป็นครองภาคภิกษุก็ตามพระปฏิโมกข์ทีนี้ต่อไปว่าสังวร น, นี้ไม่เฉพาะแต่ศีลสังวร น, นะยังมีสติสังวรด้วยนะสติสังวรอันนี้ก็นับว่าเป็นศีลเหมือนกันอ่าสติสังวรก็คือตามมองเห็นรูปใจไม่เป็นบาป หูได้ยินเสียงใจไม่เป็นบาปจมูกรับรู้กลิ่นใจไม่เป็นบาปลิ้นรับรสใจก็ไม่เป็นบาปกายรับกระทบใจก็ไม่เป็นบาปคิดคิดเรื่องอะไรก็ตามใจไม่เป็นบาปอันนั้สภาพจิตที่ไม่เป็นบาปเมื่อหลังจากเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องรับกระทบใจนึกคิดเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นสติสังวร สติสังวรกับอินทรีย์สังวรนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าบุคคลจะสำรวมอินทรีย์ได้ก็อาศัยสติเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรอันนี้ก็เป็นศีลอย่างหนึ่งแต่เขาเรียกว่าสังวรศีลแล้วก็คันติสังวรอ่าคันติสังวรนี่เป็นอย่างไรก็คือหนาวร้อน ก็ทนได้ไม่โกรธเนี่ยนะสามารถที่จะเจริญกุศลธรรมต่อไปได้หิวกระหายได้รับสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดคือชีวิตจะป่วยจะไข้ยอย่างไรก็สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมต่อไปได้เพื่อกำจัดอกุศลวิตกเพียรเพื่อกำจัดต่อเนื่องอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าขันติสังวรนั่นนะอดทนแล้วก็เจริญกุศลธรรมต่อไปอย่าง ไม่ขาดสายอ่าแล้วก็ญาณ น, นะสังวร น, นี้ก็เป็นชื่อของปัญญานะญาณหรือปัญญาก็เป็นชื่อของสังวรเหมือนกันก็เป็นศีลด้วยนะคือการพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเนี่ยนะพิจารณาบาปอกุพิจารณาแล้วสา ม, มารถที่จะละกิเลสละตัณหาได้อันนี้ก็เป็นสังวรศีลเหมือนกัน แล้วก็วิริยะสังวรเพียรเพื่อกำจัดอกุศลวิตกเพียรเพื่อกำจัดกามวิตกพยาบาทวิตกวิเหิงสาวิตกเนี่ยน ะ, ะความเพียรพยายามในการกำจัดอกุศลเพียรพยายามเพื่อที่จะเจริญกุศลสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าวิริยะสังวรเนี่ยนะอันวิริยะสังวร น, นั้นก็เป็นธรรมะที่น่า จเจริญ น, นะตอนับเนื่องในศีลด้วยเหมือนกันต่อไปก็ได้สามเลยนะหนึ่งเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลสอวีติกมะเป็นศีลอวีติกมะเป็นศีล น, นั้นก็คือความไม่ล่วงละเมิดเลยนะความไม่ล่วงละเมิด ตามที่สมท า, านเอาไว้แล้วเนี่ยนะไม่ละเมิดออกไปทางกายไม่ละเมิดออกไปทางวาจากุศลธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่ละเมิดออกไปกุศลธรรมเหล่านั้นก็เป็นศีลเพราะฉะนั้นกุศลศีลเหล่า น, น, นี้ที่แปลตั้งกระต้นว่าเป็นที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงเเป็นที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงคนที่มีศีลเหล่านี้เนี่ยนะ จะเป็นคนสะอาดเป็นอาการปรากฏนี่ยนะ״พะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะรู้ว่าใครเป็นคนมีศีลก็ดูว่าเขาสะอาดทางกายสะอาดทางวาจาและก็สะอาดทางอาชีพน ะ, ะในเรียกว่าลักษณะอย่างหนึ่งของกูโซลศีลเพราะฉะนศีลเนี่ยหน้าที่ของเขาก็กําจัดความทุศีลเป็นกิจของเขานะ กิจของศีลก็กำจัดความทุศีลความเสื่อมเสียต่างๆกุศลศีลจากํำจัดออกไปแล้วศีลนั้นมีฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้คนที่จะรักษากุศลศีลได้นั้นคนนั้นจะต้องเป็นคนที่อายต่อความชั่วเกรงกลัวต่ออกุศลธรรมจึงจะรักษาศีลได้ถ้าหากว่า ไม่เป็นคนที่ละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่ออากุศลจริงๆนั้นไม่สามารถที่จะสืบต่อศีลต่อไปได้วันศีลที่ดีนั้นจะต้องเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยศีลเหล่านั้นต้องเป็นไปเพื่อสมาธิศีลเหล่านี้ที่รักษาดีแล้วจึงจะเป็นไปเพื่อปีติเพื่อปรามโมทเนีย่ยนะเพื่อสุขเพื่อ สมาธิเพื่อยถาภูตยานทัศนะเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อวิมุติเนี่ยนะเพื่อการรู้แจ้งเพื่อการเห็นจริงเพื่อการแทงตลอดผนิพานอันกุศลศีลเหล่านี้นับว่าอันคนที่มีศีลเนี่ยนะสามารถที่จะรักษาทซั์ไว้ได้คนแสดงว่าศีลพวทรัพย์บบอกว่าคนที่มีศีลเบื้องหน้าแต่ตายตายแตกไป ก็สา ม, มารถเข้าถึงสุขติคือความเป็นมนุษย์หรือความเป็นเทวดาอันนี้คิดน่าภูมิใจอีกอย่างหนึ่งว่าเออชาติก่อนๆโน้น น, นะเราก็ไม่ธรรมดานะรักษากุศลศีล น, น่าดูเหมือนกันนะจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ของง่ายเพราะฉะนั้นกุศลศีลเป็นเหตุให้เกิดในมนุษย์และเกิดในสุขติโลกสวรรค์เกิดเป็นเทวดาในชั้น ต่างๆก็อาศัยกุลศลสีเหล่านี้นั่นเองวันคนที่มีสีเนี่ยนะสามารถที่จะรักษาซั์ไว้ได้คนมีสีลก็จะมีพ่อข้าซั์มีรั์ภายนอกด้วยนะคนมีสีลจะมีรัพ์ภายนอกคือปัจจัยสี่จะไม่เดือดร้อนในเครื่องนุ่งห่มจะไม่เดือดร้อนในอาหารการเป็นอยู่จะไม่เดือดร้อนใน ที่อยู่อาศัยจากไม่เดือดร้อนในอยู่ยารักษาโรคเนี่ยนะอาศัยศีลเนี่ยนะจะเป็นเหตุให้ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลําบากในปัจจัยสี่ถ้าด้วยอนุภาพของศีลจริงๆเอาแล้วศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งอริยสัพย์ข้างในด้วยนะคนที่รักษาศีลได้ดีเนี่ยเป็นเหตุแห่งอริยสัพย์ คนที่มีศีลดีๆก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงทรัพย์คือศรัทธาต่อไปได้รักษาทรัพย์คือศรัทธาต่อไปอย่างมั่นคงเพราะว่าคนถ้าไม่ไม่มีศีลก็ทรัพย์คือศรัทธาก็สแสดงว่าไม่ดีฉั้นคนที่รักษาศีลได้คนนั้นทรัพย์คือศรัทธาก็มั่นคงคนที่มีทรัพย์คือศรัทธาทําให้รักษาศีลได้อย่างนี้คนที่มีศีลได้ก็มีทรัพย์คือหฮเระแหละ โอตตะ ป, ปะคนถ้าเขามีศีลเขาจะมีทรัพย์อย่างอื่นอีกคือหิริและอตตะ ป, ปะคนที่มีฮิริโอตะ ป, ปะเนี่ยนะมีศีลดีก็จะทำให้เป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่เดือดร้อนใจเมื่อไม่ฟุ้งซ่านไม่เดือดร้อนใจก็สามารถที่จะฟังแล้วก็ทรงจำพระธรรมคำําสอนของพระพุทธเจ้าได้เยอะอันนี้เขาก็จะมีอริยทรัพย์คือสุตตะอีกไงนะ คนมีศีลเนี่ยนะจะให้อะไรก็ให้ได้ง่ายสละอะไรก็สละได้ง่ายเพะนั้นเขาก็จะได้ทรัพย์อีกอย่างหนึ่งคือจากะแล้วก็คนมีศีลดีเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจจะทำได้อันนี้ก็ทรัพย์อย่างหนึ่งของเขาก็คือปัญญาเพะนั้นศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งโทษกทรัพย์ทรัพย์ ท, ทั้งภายนอกและทรัพย์ภายในเห็นไหม เมื่อมีทรัพย์ภายในอย่างนี้มากๆสีเลนะนี่ผู้ติัญติอาศัยศีลก็สามารถที่จะสงบประงับดับจากบาปสงบประงับจากอากุศลร้อยสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมโดยที่ไม่เก้อเขินเนี่ยนะทางโลกเราเนี่ยนะใครที่แต่งตัวได้เรียบร้อยเหมาะสมกาละเทศะสถานที่เข้าไปที่ไหนก็สบายใจ คนที่มีเครื่องประดับคือศีลเป็นตนที่จะแสวงหามาประดับเหมือนกันนะประดับกายประดับวาจาด้วยกุศลศีลประดับใจด้วยกุศลธรรมนนะประดับกายวาจาด้วยกุศลศีลประดับใจด้วยกุศลกุศลธรรมอันคนที่มีเครื่องประดับคือศีลธรรมอยู่อย่างนี้แล้วไปนะแห่งหนตำบลใดไปณนะสถานที่ใดก็ได้ ใช่ไหมคนที่แต่งตัวเรียบร้อยสา ม, มารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมโดยที่ไม่เก้อเขินเนี่ยนะทางโลกเราเนี่ยนะใครที่แต่งตัวได้เรียบร้อยเหมาะสมกาลเทศะสถานที่เข้าไปที่ไหนก็สบายใจคนที่มีเครื่องประดับคือศีลเป็นต้นก็สา ม, มารถที่จะเข้าไปได้ทุกเห็นทุกแห่งเพราะว่าศีลเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งปฏิสนธิในสุขติในภูมิต่ตางๆได้ สบา ย, บายเพราะอาศัยกุศลธรรมเหล่านั้นฮันคนที่มีศีลด้วยนะศีลเป็นเหตุเกิดแห่งพบมนุษย์ถ้าเขาเป็นคนที่มากด้วยความเคารพมากด้วยความอ่อนน้อมเป็นเหตุให้เขาเกิดในตระกูลสูงเออความอ่อนน้อมนี่ไม่ใช่เป็นกุศลไม่น้อยเลยนะเป็นเหตุแห่งการตระกูลสูงด้วยฮันหลถ้าหากว่าผู้ที่เย่อหยิ่งมากๆตรงกันข้ามเลยเนี่ยนะ โอ้ยยอไม่ถ้าหากว่าอ่านหนังสือของประเทศอินเดียเนี่ยนะมีไอ้วันณะอยู่วันณะหนึ่งก็เรียกวันณะจันทร์คนที่เกิดวันณะจันทา์เนี่ยนะวันณะอื่นๆวันณะสูงสูงเาเรียกว่าวันณะพรามเนี่ยมองเห็นวันณะจันทา์เนี่ยนะต้องรีบไปเอาน้ําล้างตาก็บอกว่าพูดไปภาษาเราๆก็บอกว่าจังไรมากเลยที่ได้เห็นเนี่ยนะก็บอกว่าเห็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังพอได้ทนได้ใช่ไหมไม่ถึงก็ต้องล้างหน้าล้างตาอะไร แต่ก็บอกว่าเห็นคนวันนะจันทานเนี่ยต้องรีบไปล้างตาเอาน้าหอมล้างตาเลยกลับบ้านวันนั้นไม่เที่ยวแล้วเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นความจังร้ายมากเพราะงั้นอันพวกที่มานะพยองเยอะยิ่งมากๆถ้าเกิดในลักษณะนั้น น, นก็ลําบากเหมือนกันนะไปที่ไห น, นก็ไม่มีใครดูแลไม่มีใครสนใจในขณะเดียวกันเขาก็ไล่เหมือนกับหมูเหมือนกับมา้าเหมือนกับสัตว์ต่ําๆเขาบอกว่าถ้าหากว่าสัตว์เตราชานไปกินน้ําในบ่อนะเขาไม่ไล่หรอก ถ้าคนจันทานไปกินน้ำในบ่อของวันนะ่ะอื่นๆเนี่ยนะโอ้ยถูกไล่ถูกกะเพิดอะไงน้นอันนั้นก็นึกถึงว่านี่แหละเป็นโทษพ้องความไม่มีซีนแล้วก็ยังทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะที่ประเทศอินเดียเนี่ยดูถ้าจะเคร่งครัดกว่าสมัยเดิมด้วยซ้ำไปเนีย่ยนะพราะฉะนั้นเด็กจันทานเนี่ยเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครูเนี่ยเขาจะตักน้ำให้กิน คนจันทานก็จะอ้าปากไปใช่ไหมเขาก็ตักน้ำกรอกใส่ปากให้กลื น, น, น, นประเภทมานะนั่นเองไปลดทอนไปตัดรอนบุญของเขาให้เขาเกิดในตระกูลต่ำไปที่ไหนก็ดูยาร่ำเรียนจนถึงกระจกด็อกเตอร์สองสถาบันเหมือนกันแต่ก็ชีวิตก็น่าดูเหมือนกันนะถ้าหิวน้ำพวกครูเป็นต้นก็จะเอาน้ำเนี่ยตักแล้วก็กรอกใส่ปากให้ก็จะอ้านน้า ทนคนจากวันนะคนจันทามเนี่ยนะเขาจะกินน้ําแล้วก็ปากเขาไม่ไม่ติดแก้วเนี่ยนะก็คือยกกรอกเข้าไปเลยท่า น, นเขารังเกียจเขาเหยียดหยามมากแล้วก็วัน น, นี้ก็ยังมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยที่ที่ยังที่ประเทศอินเดียอันนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากอกุศลประเภทมานะนั่นเองไปลดทอนไปตัดรอนบุญของเขา ให้เขาเกิดในตระกูลต่ำไปที่ไหนก็ดูถูกดูเกียร์เกียดยามพระโพธิสัตว์ของเรานะในชาดกบางเรื่องก็ลักษณะนั้นแหละเกิดเป็นมาตังคะเนี่ยนะเกิดเป็นคนจันทานเพราั้นตระกูลต่ำเนี่ยโอ้มันก็สุดยอดจะทรมานเหมือนกันนะเข้าไปในสมาคมคนชั้นสูงนี่ก็โอ้ไม่ค่อยดีเพราะะั้นกุศลศีลช่วยได้พราะนั้นความเคารพเป็นต้นเนี่ยนะคารวะอ่อนน้อมเนี่ยก็ยังอยู่ในประเภทกุศลศีลด้วยนะ คนที่จะเกิดตระกูลสูงส่วนหนึ่งก็อาศัยกุศลศีลแต่อย่าลืมว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละอันบุคคลที่สมาทานทำให้เกิดมีขึ้นได้บุคคลนั้นก็นับว่าเป็นคนที่ฉลาดเป็นอย่างยิ่งเนะี่ยที่จะสามารถยังจิตให้เป็นไปกับกุศลธรรมได้อันกุศลศีล น, นั้นเป็นธรรมะที่มีความสําคัญต่อชีวิตของเราเป็นอย่างมาก มันคนที่ทิ้งศีลก็เหมือนกับทิ้งชีวิตเลยนะปล่อยปละละเลยต่อชีวิตมันคนที่รักษากุศลศีลไม่ได้คนคนนั้นเนี่ยนะไม่ต่างอะไรจากศัตรูของตัวเองใอา้อาอกุศลให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช่หเราก็ถามดูเอออกุศลให้ผลเป็นทุกขนะ์เนาะเมื่อเขาทำอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ขณะนั้นก็ไม่ได้เป็นไปกับกุศลศีล เมื่อไม่เป็นไปกับกุศลและเศแล้วผลของอกุศลเหล่านั้นให้ผลให้เขายิ้มได้ไหมอกุศล น, นี่ให้ผลยิ้มได้ไหมอกุศลถ้ามันทวงเบาๆเนี่ยนะเสียทรัพย์ภายนอกอกุศลถ้าหากว่ามีกําลังธรรมดาก็เอาทรัพย์ภายนอกไปธรรมดาธรรมดาไปอกุศลถ้ามันมากขึ้นกว่านั้นเนี่ยทวงเอาทรัพย์ใหญ่ๆไปเลยนะอกุศลถ้ารุนแรงหนักกว่านั้นเนี่ยถึงจะเสียน้ําตาด้วยนะเวลามันให้ผลเนี่ย ยิ้มไม่ออกเลยนั่งเครียดสาวันแล้วก็ยังไม่แมหาความสดชื่นไม่ได้เลยนะยไม่รู้จะหาอะไรมาราดรสให้จิตใจมันชุ่มชื่นขึ้นมาบ้างอากุศลถ้าหากว่าให้ผลมากกว่านั้นเล่นงานสุขภาพเลยมีผิวพันผิวพันก็เสียหายแล้วนะเมื่อนำมาเนี่ยอกุศลแน่นอนเลยให้ผลไม่ใช่กุศลให้ผลแน่นอนเลยใช่ไหมไปดีๆีไปเป็นอะไรเป็นอิสุกวิสัยกลับมาเฉยเลยนะี่แหละอันนี้ไม่ใช่ผลของกุศลแน่นอนอนะเนี่ย แล้วก็คนที่อวัยวะเสียหายเนี่ยนะอวัยวะเสียแขนเสียขาเสียสารพัดเสียตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยเช่นมีเส้นผมเส้นผมก็เสียหายมีผิวหนังผิวหนังก็เสียหายมีตาตาก็เสียมีจมูกจมูกก็เสียหายใจก็ไม่ค่อยคล่องมีฟันฟันก็เสียเคี้ยวอาหารกรบเดียวเนี่ยนะโหฟันเนี่ยแตกเป็นสามสี่เลยโอ้อะไรจะขนาดนั้นมีพระองค์หนั่งนั่งฉันข้าวอยู่เนี่ย เคี้ยวไปเจอกรวดฟันเนี่ยแตกเป็นตามเสี่ยงเลยมันในขนาดนั้นเองนี่ฟันฟันยังเสียเลยอ่ะนะไม่สามารถจะรักษาเอาไว้ได้อาุศรธรรมเหล่านี้เนี่ยมดจรจท้ามีเส้นเลือดเส้นเลือดอย่างนั้นแตกอีกไนงะแล้วแะทบกระเทือนกระแทกพกช้าดำเขียวมีคอคอก็เจ็บมั้วนะยัมีตับมีปอดมีไตโอโรคอย่างอื่นก็แทรกซ้อนเข้ามาอีกเนี่ยนะนะ โรคมะเร็งเอ้ยโรคอย่างอื่นเอ้ยก็เข้ามาแทรกซ้อนเข้าไปอีกอันอักุศนเวลาให้ผลแล้วก็เล่นงานสรีระเล่นงานอัตภาพแนละเล่นงานร่างกายจนไม่รู้อ่ะเล่นจนเปื่อยจนทนไม่ได้หน่อแหละจนว่าจะตายเป็นไปข้างหนึ่งก็บอกอักุศนถ้าแรงกว่านั้นหนักไปก็ถึงกับสิ้นชีวิตตัดรอนจากสุขติเนี่ยนะรักษาแม้แต่ความเป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถจะรักษาเอาไว้ได้ อกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะที่เกิดจากการล่วงละเมิดศีลมาตัดตรอนออกไปแล้วก็อกุศลนั้นถ้าหากว่าหนักกว่านั้นนี่ก็เนี่ยนอนอยู่ตรงนี้ไงโอ้ไปวัดจากแดงมีตัวตัวนี้หนักนะสาหัดหมักที่เรือนกินไปทั้งตัวพร้อมกล่องแล้วก็มันไอขี้เรือนนี่มันเล่นตาด้วยนะทีนี้มันเกาอ่ะนะมันเกาทิงเหมือนกับฉีกหัวออกไปทั้งหัวเลยนะนเก่ามันดังคัด คลักคนีแล้วก็พร้อมแนงคนหนึ่งเอากระดูกมือไปวางไว้โอ้โหมันมากัดน้ําลายเนี่ยไหลยืดเลยนะพร้อมขี้เรือนโอมันอันนี้อ้วนนี่นะวดีแล้วนะเอาเทียบกับเจ้าขี้เรือนตัวนั้นเขาบอกว่าเดรชานกับเปรตเนี่ยนะแต่ก็ว่าเปรตดีกว่าเดรชานก็ว่างั้นเพราะว่าสามารถจะรับส่วนกุศลได้